แต่ในใจจะขอบรรดาท่านท้านไายตั้งใจฟังคำแนะนำแต่ว่าวันนี้อาจจะใช้เวลามากสักนิดหนึ่งแบ่ทีจะเป็ น, น, ห, นหน้าของพิเศษเพราะว่ามีพาะบทใหม่เข้ามาด้วย <c oughs> เป็นนั้นว่าการเจริญพระกรรมฐ า, านทุกแบบ ขอทุกท่านจงตั้งใจทำตนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเพื่อยาสัจจะว่าการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สุธรรมเนรที่หมดในพระพุทธศาสนายาสัจจะว่าบวตรเรอว่าฆ่าสัจจะว่บวตให้ก็หมายถึงว่าเราเอาเงินมาซื้อนรกกัน เม่พ่อยอย่างยิ่งที่สุธสมเนในหม่หรือเก่ๆๆาเก่าก็ไม่แน่นักก่อนที่จะฉันอาหารขอให้พิจร า, า, ารณาเป็นอาเรปฏิกูรสัญญาเสก่ อ, อนข้อนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่พิจร า, า, ารณาเป็นอาเรปฏิกูรสัญญาตกนรกแน่ คำว่าการที่จะนาเป็นนาหาเรือปรีกูระสจำยานี่หมายถึงว่าเวลาที่เราจะฉันอาหารยังอย่าคิดถึงรสอาหารเป็นเรื่องสําคัญอย่าติดในรสอาหารอย่าติดในสีอย่าติดในกลิ่นแล้วก็การฉันอาหารก็จงอย่าคิดว่าเราจะกินเพื่อความอ้วนตีต่องสจ แลาจะกินผิวพันดีเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสจงพิจาราว่าการฉันาหายคราวนี้เราจะฉันเพื่อทรงชีวิตอยู่เท่านั้นในการชีวิตที่ทรงอยู่นี้เราจะทรงอยู่เพื่อปฏิบัติวามดีวามดีที่เราจะควปฏิบัตินั่นก็คือศีลบริสุทธิ์สมาธิตัมัน นี่ปรายาจงสนไบอกคนนี้สรางเียบเรียจัติกันวันนี้เย่อกนนเป็นการฉันอาหารนี่อยายาิรสคัญนะที่สมัยระวังดี ตอนที wa, a, Reading, ่ฉ mm ันยังคิดว่าอาหารทุกอย่างที่เป็นเครื่อนดีเป็นเลือดใส่จนดีมีพื้นฐานมาจากความสกขรพโลกแต่ร่างกายเราเส้นด้ายกายก็เป็นพื้นฐานของความสุขภพโลกเมื่อเรากินของสุขภพกเข้าไปร่างกายของเราจะสกขภกรวมความและร่างกายของเราคนดีร่างกายของคนอื่นคนดีเต็มไปด้วยความสุขภก ไม่เจาะเจาะอ่านอันนี้การพิจารณาอาหารปริโตสัญญาเนี่เป็นพื้นฐานของพระอนาคามีแต่ใดว่าพระุกองเนองค์องทำไมพิจารณาก่อนจิงเข้าไปส่นรบกันแน่เพื่อรวมความว่าอย่าลืมเวลาฉันอาหารและเวลาอีสองเวลาที่จะเดินไปเดินมาและเดินเป็นบาทแค่เดินในความสํารวม ไอ้ทอดสายตาชั่วแอบหนึ่งหมายความวัดจะเท้าไปประมาณสี่ตอมันจเห็นคนดีจะเห็นไกลพอสมควรไกลพอสมควรเมื่อเดี๋ยวหน้าเดียวใต้แหลกขวาแล้วก็เวลารับเพมีรบาดใช้รับด้วยความเคารพด้วยการชั้นรวมอย่าถือเพื่อเรว่าที่ใช้เรว่าทำไมใช้ ถ้ายัางลักนสายแ่วาทไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็ติกไปเสีย <c oughs> นี่คะนั้นก็จะต้องนลกไปเพราะเราเป็นการทำลายเทวศาสานาได้เลยการอีกรการหนึ่งที่ส ม, มัยที่เข้ามาใหม่จึงทราบว่าที่วัดนี้เขาห้ามเขา้าเข้าไปคุยห้องของคนอืน่นนะดูระเบียบก็ดูกันแล้วอย่าฝ่าฝืน ถ้าราคิดว่าบวทคนไม่ไหวก็ติดไปอย่ามาอยู่ให้มันหนักพรศาสนาะเป็นนั้นว่าการบวทเราบทเพื่อศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่บวทตามประเพณีนิยมที่นี่ไม่ต้องการคนที่บวทตามประเพณีนิยมเพราะการบวทตามประเพณีนิยมนี่คือการบวทเพื่อทาลายพรนะศาสนา ฉะนั้นถ้าจะช่วยก็ใไปช่วยในฐา น, นะเป็นครัววัดยาว่าคกาสาวภาคของพระเจ้าไปช่วด้วยต่อไปออทุกขทุกข์ทุกข์ทานจริงพระที่เป็นเจ้าของถิ่นนี่ก็ควรจะฝึะกระรรมาฐานให้ได้เสมกับคนอืน่นคนอื่นที่เข้ามาในคำดีบันทีเข็ามาวันเดียวเขาก็ฝึกได้มโนวิธี ซึ่งเป็นกรามฐามที่มีความสำคัญถ้าบสถที่นี่ก็เราว่าเป็นพัทตธรรมฐานแต่ถ้าเราเป็นยาของบ้านถ้าบวถอยู่ที่สองสามเดือนไม่ได้แต่จะไหว้ก็มาวันเดียวได้ก็ะลมเปรียบเทียบความดีกับความชั่วของจิตของเราดูว่ า, ามันดีว่ า, ามันชัว่วนี่ขอทุกอง เรื่อคิดว่าการบวชเข้ามาในพุทธศาสนาเราต้องการศีลบริสุทธิ์สมาธิตั้งมั่นที่บัตถุนาฬยานแจ่มใสนี่เป็นหลักกายพอนักการบวชทั้งหมดนักการบวชทั้งหมดถ้าขาดบุกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งมันหมายถึงว่าใบจะโผเป็นที่ไปอันี้ต่อไปจะพอกผูดที่เนลการปฏิบัติ เต่องาก้นพวกเาพวกดีผู้ใหม่โวดีการที่ปริบัติเรีกับฐานี就就่มันีอุปสัรคคำไม่บริสัทธ์จะหมายความว่าถ้าจิตเราไม่เข้าทิฏฐานิตเป็นการยาเข้าสโความเป็นฌานนิวรณ์มิจะรพคนดังที่สิ่งที่เราไม่คิดมันก็คิดขึ้นมา ตอนนี้เมื่อจีเครือ่องทั้สู่ทั้งานละเอียดสมมุิว่าทุกท่านได้ี่เลสได้มโนยิธิทุกท่านที่ได้มโนยิธินี้เขาถือว่าเป็นฌานละเอียดฌานที่เพิ่งได้คือการเคลื่อนไปก็คือฌานสี่ฌานสี่มีสองระดับเป็นยากกับละเอียดธาละเอียด สมัยความกายเคลื่อนไปมีการกล้องตัวดีวันนั้นเป็นฌานสีละเอียดถ้าวันไหนมันเปิดวันนั้นก็เป็นฌานสียาบถ้าว่าวันไหนไปไม่ได้เลย <c oughs> ก็แสดงว่าวันนั้นจิตเข้าไม่ถึงฌานสี <c oughs> ถ้าว่าวันไหนจิตเข้าไม่ถึงฌานสี <c oughs> ก็มีวิธีแก่มันไปไม่ได้เราก็ไม่ไป เราไม่ใจเราทำยังไงแล้วก็นั่งพิจารณาตัดขั้นห้าตามอารมณ์ที่เรามีความเข้าใจคือครื่องในอรมไหนก็ตัดในอารมณ์นั้นถ้าตัดขั้นห้าไปมีไว้ก็จับลมให้ใจเขาเา้าออกแล้วก็ภรวนาไปเฉยๆทำจิตเรื่อยให้ ส, สบายคิดว่าได้เท่าไรเอาเท่านั้น แล่วถ้าทำอย่างนี้ดีไม่ดีประเดี๋ยวมก็ไปอันนี้เป็นการแก่นะ <c oughs> แก้อารมณ์ที่เราเข้าถึงเรียกว่าเราใช้มโนยิธิได้ค่องตัวแต่บางวันมันเกิดไม่ค่องขึ้นมาในการไม่คล่องเกิดขึ้นทางทางที่ดีก็ควรจะพิจารณาว่าตั้งแต่เชา้าถึงตอนที่เราจะทำ มันมีอารมณ์ตอนไหนบ้างที่ขัดต่อคําสอนขององค์สมเด็จเจ้าสัมมาจารย์เจ้าสาวถ้เราอารมณ์ไม่ขัดก็หาทางปับด้วยการพิจารณาใจกันห้าเฮ้ยถ้าทางที่ดีแตทวันไหนมันไม่คล่องแตทวันไหนคล่องดีก็เริ่มปับ๊บิตก็เคลื่อนปุ๊ทันทีนี่ก็ปล่อยวันนั้นเป็นวันขาดละเอียดดีเด้งสีนดีทั้งสมาธิดีทั้งปัญญา แต่วันวันจับพลัดมันตื้อถ้ามันตื้อลงมาก็ปล่อยอารมณ์ทั้งหมดถ้าจิตจิตมันพยายามคิดจะใช้ประสนายายคือตัดกันห้าก็ตัดขันห้าถ้าจิตมันไม่พอใจในการตัดขันห้าก็ใช้กําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกแล้วก็ควรนาเฉยๆโดยที่ไม่คิดถึงอะไรทั้งหมด หมายความให้รักษารมธรรมดาธรรมดาไม่คิดอะไรทุกอย่างนี่จุดหนึ่งนะนี่จุดหนึ่งที่มันเป็นจุดที่แปลที่สุดคือว่าทั้งผมทั้งคนอื่นก็โดนมาแล้วตรงนั้นนั่นก็คือไอ้ลีนทาวดูแบบนั้นที่เข้าเขาออกออกไปนี่มาแรงเข้า คือว่ามันมีอารมณ์หนึ่งคืออารมณ์ของกิเลสอนนีทุกท่านอาจาเ่อทุกท่านอาจจะโดนระหว่างท่านจะไม่โดนนะมันมีอารมณ์เบื่อพิเศษคือว่าอารมณ์เบื่อพิเศษเนบางทีเราภาวนาภาวนาไปพิจารณาไปในใจสบายดต่บางครั้งมันนึกจะด่าพระพุทธเจ้าที่ทำมิ อย่าใจคิดทํำลายทิวในสิวหีถ้าตรงอย่างนี้เกิดขึ้นนะจะต้องทราบว่าจิตของท่านตอนนั้นกําลังจะตัดกิเลสละเอียดถ้าจิตไม่ได้ตักิเลสละเอียดเขาเรียกว่ากิเลสสมานมันจะเข้ามาสิงจิตตอนนี้ไอ้ที่จิตตันที่เมีอารมณ์ขี่เจนนั้นมันเปกิเลสสมาน มันก็จะมีความมัวไปในบางขณะแล้วก็ในบางขณะที่เรามีความแจ่นใสขึ้นเราต้องมาตั้งใจว่านี่เราจะใช้กิเลสตำมาณทะเลยังไงเราจะยกเต็มขึ้นจากน้ำเราเป็นครรวา่ามันก็มีพุทมาเป็นต้นไม้สดที่แช่อยู่ในน้ําด้วยที่แช่ในเกล็ดต้มด้วยคือกิเลส เวลานี้เราเป็นพระก็เหมือนกับไม้ศพที่ยกขึ้นมาจะเปือนต็มแล้วก็น้ำเอามาวางไว้บนบกมันรอเวลาจะแห้งไปทีละน้อยๆเท่านั้นทีนี้เราก็ตรองมาตัดสินใจว่ากิเลสประเภทนี้มันมีสําหรับเราและเรามีสําหรับคนอื่นด้วยตัวอย่างในพระเดชาสัญญาก็มีสานุสมเณีเป็นตัวอย่าง การรู้สมเสมอที่มีสภาพแบบนี้บทในสมัยพระพุทเจ้าก็ใหญ่จะติดเสนกันในที่สุดมัรดาของท่านจึงเป็นนาวฟาในอดีตมรนดาในอดีตก็มาเตือนเกิดความรู้สึกเท่ากับใจเึ้นใหม่แด่ขึ้นที่ความต้องการในการมาันพระก็ดีในโลกพระความโลกคนดีในความโสดคนดีในความหลงคนดี มันเป็นของเลวไม่ดีสำหรับเราฉะนั้นบางดาที่เรามาเตือนเชื่อเป็นทวันดาจะยุดยออ่อทงเสร์มในการบวเป็นของดีเราประโยชน์ขอพะพุทธปฏิบัติในภูมิจันต่อไปโดยไม่มีความอะไรในทุกเสียงหนึงอย่างภายนอกทั้งหมดเป็นร่างกายเขาเ อ, อ็นคนอีคนดีวัตถุธายคนดีไม่ตึงศาสนาะ แม่แต่ร่างกายที่ตัวเองคนดีก็ไม่ต้องการในที่สุดให้เขาเป็นพระอรหันต์ในช่วงของอายุเจ็ดปีคนนั้นเพว่าไม่กี่วันที่เขเป็นอรหันต์นี่ขอบรรดาท่านหลายที่มาเอิญมีกําลังใจสูงและจะถูกกิเลสประเภทนี้รบกวนจนทราบว่านั่นเรากําลังจะตัดกิเลสโดยละเอียด แต่ว่ากิเลสมันไม่เข้ามาสิงใจเราทำให้เราเกิดความคลอถอยอย่างสารุศสมันเลนอยากจะสึกแต่ในสุดไม่สึกตัดสินใจว่าชีวิตเกิดมาเพื่อตายเราเป็นพระเป็นเนรเราก็ตายเราเป็นฆราวาสราก็ตายแต่ว่าถ้าตายอย่างพระอย่างเนรเป็ผู้ทรงศีลทรงสมาธิทรงปัจสินนายาน เราอย่างน้อยเราเป็นตัวไา้คนได้เป็นสชมค น, น, น, น, นได้แต่ไม่เท่นานัา้นก็ไปผ่านนี่พอบรรดาท่านหลายที่อาจจะพบ ก, กําลังใจแบบนี้ก็บังอย่างคุณอรุณไพสริก็เคยโดนอาการแบบนี้มาเหมือ น, นกันผมก็โดนมาแต่ว่าไม่มีใครเขาบอกกาต้องต่อบสู้ด้วยตัวเองพวกคุณก็รู้สึกว่ามีกาําไร ตอนนี้ไปก็ขอพูดกันทั่วไปว่าทุกท่านถ้าหากว่าตั้งใจคิดไว้ให้กำลังใจบเรยงลมจันทร์ใสเป็นปกติอยูเสมอยงคิดไว้เสมอว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่อตายแลว้วความ ต, ตายไม่มีนิมิตไม่มีต้องหมายมันอาจจะตายที่เวลานี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ ความตายที่ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของร่างกายคือธรรมชาถ้ามันจะตายก็เช่นเพราะการตายของเราก็จะไม่ตายแบบคนโง่เราจะตายแบบคนฉลาดนั่นก็คือหนึ่งเราจะขอยึดคุณความพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เป็นสันนิษฐนที่จริง ตามพิรุธวาพุทธังตรนังระชามิธรรมังสรนังระชามิสังฆังตรนังระชามิเทวเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงเทวเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงเทวเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึงนี่เรียกว่าเราพถึงศรณาคมเมื่อถึศาาคมนย่อมเป็นปัจจัยเกิดในสวรรค์ได้นีเกับ มไม่ได้กุนตลีที่ประมุิไม่ได้ทำความดีอะไรเลยเพียงแค่นึกถึง र, र, न. न ई, ความดีของพุทธเจ้าก็ทำประสงค์เนอรม์กไปสวรรค์ได้แต่ยังดีไม่พอถ้าจะดีพอต้องจับทําบโทนซะเลยไม่ยอมลงนรกเกิดเผเจริญายเป็นสตรีฐานนั่นก็หมายความว่าเราจะเป็นพระโสดาบัน เอองของโซนดาวบัญฑูรีนิเสเราเป็นคนมีศินบุิ์เป็นพระนูสิขาบุตรเสกชวนนานวควาสยาสักโรบุตรเว่าฟังวินัยทุกวันฟังแล้วก็ตั้งใจจำตั้งใจไปปฏิบัติโดยการิีสองทรงกลังใจไวเพียงแค่กระตม้มจานเป็นอย่างต่ำ คำว่าพระพุทชายก็คือเมร์ทรงตัวอยู่ในด้านของกุศลนอกจากนั้นเราก็อมีสริโดยตุกิตรักนิพพานเป็นอารมณ์แต่นี้ปเป็โสดาบันจำกันให้ดีนะว่าเราปฏิบัตเิเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าอย่างน้อยที่สุดเราจะเป็นโสดาบันให้ได้ ก็โสดาบันนีอะไรอันดับแรกที่เราคิดว่าเราจะตายเนี่ยเราจะไม่ยอมลงอบายภูมิจะเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จะมีศีลบริสุทจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คํำว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็หมายความที่เราทําความดีทุกอย่างเราทําเพื่อพระนิพพานอันนี้เป็นปัจจัยของโสดาบัน เรือว่าเป็นดีลายของโสดาบนันความจริารมากใจของทุกคนคาดตั้งอยู่ระดับเพ่ยงแค่โสดาบนันความมุ่นวายของจิตมันไม่มีเพราะเรนหนึ่งจิตคิดว่าเราจะต้องตายเป็นกฎธรรมดาสองถ้าจะตายเราจะยึดคุณพระพุทธเจ้าพระพรนปารียสงยึดศีลเป็นสรณะที่พึง มีพนิพพานเป็นที่ไปและจิต ก, ก็วางโลกประทำปัจจัยาการเสียไม่เมาในลาบไม่เสียใจเมลาบเป็นหลายไปไม่เมาในยศในเสียใจในยศเปหลายตัวไปไม่เมาในสุขไม่เกิดความทุกข์มาทุกข์กระจายเมื่อทุกข์เกิดขึ้นไม่หวังไว้ในคำนินพา และก็ไม่ดีดีในการสื่อสารเรื่องความว่าอะไรจะมาท้งเหนือท้งใต้ก็ตามถิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าพระพุทธเจ้าตอนที่มันเป็นบลรรมีก็โดนแปลงแกล้งจากวิเวทชัในเหตุนานาเดาียกันมีชาติหนึ่งที่ท่านถือขันติว ร, รมี ขันติเวรมีนิบราภอดใจอดทนพระเทวทัตเป็นพระราชามิชาทิ่สิแล้วพระพุทธเจ้าเป็นฤาษีใครคนไหนถามฤาษีมีอะไรดีท่นฤาษีก็ตอบว่าฉันมีดีคือขันติคือความอดทนแต่ได้จับฤาษีนอนลงตัดขาข้างซ้ายข้างหนึ่งขาดไป ถามว่าโกรธไหมนิรศรีก็บอกว่าไม่โกรธตัดข้างข้างข้างข้างข้างขาขวาเป็นข้ามขาดไปถามว่าโกรธไหมนิรศรีก็บอกไม่โกรธตัดแขนซ้ายถามว่าโกรธไหมไม่โกรธตัดแขนขวาถามว่าโกรธไหมไม่โกรธคนดีสุดนสรศรีทนความปวดไม่ไหวก็ตาย นี่เป็นเวลารลวงพ่อใหญ่เจ้ า, าตอนมันเป็นบารมีหนักมากแต่ตอนมาเป็นหลวงพ่อใเจ้าแล้วก็ยิ่งหนักใหญ่ไปที่ไหนถูกด่าที่นั่นไปตดนไหนถูกว่าที่นั่นถูกใจแกล้งที่นั่นหลวงพ่อใเจ้าก็สงเฉยอันนี้ที่พูดอย่างนี้ก็ถืว่าให้เราเนี่ยถ้าบังเอิญไป็นเพรกระทระั่งอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเขา เราก็ถือว่านี่คือเรื่องธรรมดาของการมีกัน5คือร่างกายจิตใจเราจะดีขนาดไหนก็ตามคนเองก็อาจจะไม่เห็นว่าเราดีเพราะ้างเขาเชื่อเขาอยากเะิญด่าคนด่าก็อยากจะว่าต็ว่าเขาอยากจะนิทานก็นิทานเขาปล่อยเขาทาใจเป็นสุดคิดมั่นใจในความดีว่าเวลานี้เราทรงความเป็นประสดาบัน ใครจะว่ายังไงยังไงเราก็เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเป็นยังไงหนึ่งเราไม่หลืงความตายให้คนยืนด่าเราต้อด่าไม่นานหรอกธรรมชาติเราตายเราก็้มาได้ยินวันนี้สุดเราก็จะมีพุท ธ, ธธรรมประสงค์เป็นที่ตื่นเรามีศีลโดยสุทเรามีพระบุตรเป็นอารมณ์ องมใจในความดีในความเป็นพระอริยเจ้าของเราให้จิตมันมีความในสุขจิตเนรชงคิอย่าลืมวาทาท่าถ้าจิตถ้ถึงความเป็นพระอริยเจ้าการชี้ตัวชี้ตนหรือเราชี้เขาไมา่มีเพิ่งจะว่าถ้าเขาชัว่วเราไม่ชั่วตามคนนั้นนี่เร็นลมใจนะ แต่ที่ดูวันดาท่านที่ปฏิบัติทั้งหลายเพื่อคนเก่าอาจจะทรงได้ดีแล้วตอนนี้ไปกล้วรนี้แนะนํำวิธีปฏิบัติสําหรับบรรดาท่านบริษัทใหม่ที่ว่าใหม่เจ้าเจ้าของต้นบนขอเตือนอีกครั้งนะว่าอย่าปล่อยให้ของดีที่เรามีอยู่ในวัดของเราใ้ใครคนอื่นเข้าไปมีเ้าไปเป็นเกือบหมื่นคนแล้วนะ เพียงแค่ช่วเดือนธันวาคมเนี่ยเจ้าของตำบลเนี่ยอย่าอย่าอยเรียกว่าอย่าทําให้อย่าอย่าเสียทีเขาลับสายกําลังใจสบายวิธีปฏิบัติเป็นยงไงพยายามฝึกใจกาหนดรู้ลมให้ใจเขาออกภาวนาวันสรรมะเวลาหายใจเข้านึกวันธมะ ในลายใจอดอด้วยพระธรอันนี้ทั้งเก่าทั้งใหมค่ควรจะทำและเวลาที่ภาวนานทําใจสมใจบางครั้งแต่หากว่าท่านงหลายที่ได้แล้วอยากจะไปให้มันเร็กันได้ไปช้ากันได้ถ้าจะไปเลยวก็รวบหวงกํำลังใจทันทีโดยไม่สนใจไม่ตรึงไม่มใจก็ อ, ออกจิตจากจบแล้พุ่งเข้าไปสู่นิพพาน สำหรับท่านผู้ปฏิบัติใหม่พยายามนึกทั้งไม่ใจเขาออกกับคำภาวนานะี่ยเพราะว่ายาสัมมาสมาธิเนี่ยจำไม่ดีในเรื่อการตั้งใจเท่านั้นเองอย่าไปนึกว่าสมาธิทําไปแล้วมันจะต้องไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ไม่ได้ินไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฌานละเอียด แต่าการฝึกมนโนยุทิ์แบบนี้ไ ด, บบด้ยินทั้งหมดตัวการฝึกแบบพิเศษฉะนี้ขอทุกท่านตั้งใจภาวนาวนาันมละปะทะเวลาให้ใจเข้าเนื้วนมละเวลาให้ใจออกเนืน้อวะปะทะและเวลาที่กําหนดรู้ลงให้ใจทําใจตบไปสบายอย่าให้มันหนักหน่วงเกินไป การหงดโน้นเราไม่ใจเขาออกเพราะในคําพรนาแบบเป็นสุขที่ว่าอย่ากอแตเราให้มันเครียดถ้าเครียดถะาเกินเกินไปมันก็ไม่มีผลเป็นอากาศในมรรคานิโยมเวลาภาวนาไปนึกอยากจะเห็นโน่นนึกอยากจะเห็นนี่ไม่อยากจะไปโน่นนึกอยากจะไปนี่มันก็ไม่ได้เป็นการไม่สุขันิการนิยคต้องไม่ใช้มัจจรมาปฏิบัติ คือ ท, ทาแบบสมบายๆรู้ลมเข้ารู้ลมออกควาจิตให้เป็นสุขอันนี้ถ้าถึงเวลาที่ครูผู้สอนเข้าไปแนะนําตอนนั้นขวรรดาสพุทธบริษัททุกท่านให้หยุดภาวนาเสียหยุดกำลังรู้ลมหายใจเขาออกคือไม่สนใจการรูล้ลมหายใจเขาออกด้วยไม่สนใจกับคำภาวนาด้วยธรรมลมสบาย ฟังเสียงครูผู้สอนแนะนำถ้าหขากาครูผู้สอนถามไม่เห็นอะไรไหมไม่ใช่อารมณ์เดิมอารมณ์แรกเป็นสำคัญไอ้คำไม่เห็นนี่มันเป็นความรู้สึกเพราะว่าคาว่ามโนวิทธิเนี่ยแปลว่ามีริษฐานใจที่เราไม่ได้ใช่ตาดูเราใช้จิตรู้ไม่ว่าเขาถามไม่เห็นวา่าพระเจ้าไหมอารมณ์จิตมันไหวเห็นเขาตอบมาเห็น นี่เราถามอะไรก็ไม่ไดจดยาวสีอะไรไปเห็นใครสีอะไรความรู้สึกมันบอกว่าอย่างไรตอบทันทีคนข้างๆเราไม่เห็่าเหลืองแต่คนเราบ่กขาวก็กระตอบขาวแยเวเหลงตันเขาเพราะว่าเรื่องต้นเข้าจุดตอนนี้เป็นเรื่องของที่ปฏิบัติธรรมมีมสัมผัส อคื <ersch> 17, ูให้ตัดกันห้าในถึงบารมีผู้ไดาเจ้าช่วยจิตที่กำลังพุ่งจิตท่เบื่อเขาุราอมนีเดีสถานตอนนี้ถ้าป็นจะถึงจุราอมนีเพื่ทราบว่าจิตตรงนี้เป็นจิตทองขานติและท่าประกอบของการตัดคาท่าเด็กขาดจิตใจทวันดาเพื่พรธรมบิจะมีความรู้สึกสัมผัสกาพุทีเปียนแสงใส แะไต่อจากนี้ยปภบรนาเป็นพระธรบริสตันหลายท่านมีศุภเมนุบาริศุภบาริกาไ่้งกายให้โตรงจะล้จิตให้มั่นจมุติรู้ลมในใจเข้าได้ออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปริยาใสสำหรับผู้ใหม่มีเสียงกรี๊ยจะต้องลืมตานะเป็นวาระที่ครูเขาแนะนำให้เข้าไปแนะนำท่านเริ่มปิบัติได้